ทองเท่านั้นที่คนอยากพิสูจน์ว่าแท้หรือเทียมโดนใส่ความท้าทายวิธีพิสูจน์ตัวเองถ้าไม่เคยโดนใส่ความแรงๆเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานก็อาจไม่เข้าใจว่าเกิดความเจ็บปวดได้ขนาดไหนใจดิ้นรนกรธโกระวายเพียงใดอยากหาทางกู้หน้าหรือหมกมุ่นอยากแก้แค้นเอาคืนเยือเ้อเท่าไหร่ ใจคนไม่เหมือนกันส่วนใหญ่พอถูกใส่ความหนักๆความเจ็บใจแรงจะบีบให้ครุ่นคิดอยู่เกือบตลอดเวลายิงแบกศักดิ์ศรีไว้หนักเพียงใดยิงเจ็บหนักคิดหนักขึ้นเพียงนั้นพระพุทธเจ้าก็มีศักดิ์ศรีและเคยถูกใส่ความรุนแรงเหมือนกันครั้งหนึ่งนางจินจมานวิกามายืนใส่ความพระองค์ต่อหน้าสาวกว่า พระองค์ทำให้นางตั้งครรภ์ใจของพระองค์ไม่ได้ถูกต้องมนทินนั้นกับทั้งทรงทราบว่านางก่อบาปใหญ่หลวงเพียงใดจึงตรัสสั้นๆด้วยพระสุรเสียงเมตตาเป็นปกติว่าน้องหญิงเรื่องนี้มีเรารู้กันสองคนว่าความจริงเป็นอย่างไรอนุภาพของพระพุทธเจ้าทำให้ความจริงปรากฏเร็วนางจินจมานวิกาถูกจับได้ณที่นั้นว่า แรงเอาของมาผูกยัดท้องทำทีว่าตั้งคันถ้าเป็นใจคนทั่วไปคงตั้งสติอยู่ไม่ไหวแต่เป็นพระไทยของพระพุทธเจ้าที่เห็นศักิ์ศรีเป็นเรื่องสมมุติการใส่ร้ายป้ายสีก็เป็นเรื่องสมมุติเรื่องสมมุติหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องสมมุติหนึ่งดับไปจึงไม่เกิดความวันว่นวาและมีวิธีพิสูจน์พระองค์องเองอันทรงเกียรติชวนให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์เกิดความเลื่อมใส และนึกอยากเข้าข้างพระองค์โดยปราศจากข้อกังขาถ้าเป็นกรวจคนคงไม่สนใจอยากรู้ว่าเทียมหรือแท้ต้องเป็นทองเท่านั้นที่คนอยากพิสูจน์ว่าแท้หรือเทียมเมื่อถูกใส่ความชีวิตไม่ได้จบตรงที่โดนใส่ความและไม่จำเป็นต้องจบชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเอง พวกเราอยู่ในโลกที่ผู้คนกล้าใส่ความกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยชีวิตก็คงจบชีวิตกันหมดแต่ถ้าพิสูจน์ตัวเองด้วยการเอาความจริงมาพูดอย่างฉลาดหรือใช้ชีวิตอยู่กับความจริงในตนเองนานพอในที่สุดคนจะเห็นความจริงที่คุณเป็นได้เอง